จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบการกระทมที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเพราะมีความเชื่อในพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด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 คือส่วนร่างกายและส่วนใจร่างกายนี้พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแต่ใจนี้กรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมนี้เป็นคากลา ง, ลางแปลว่าการกระทำของใจถ้าทำดีก็เป็นบุญถ้าทำไม่ดีก็เป็นบาปคนเรา ที่เกิดมานั้นจึงมีพ่อแม่อยู่สองส่วนด้วยกันพ่อแม่ทางกายและพ่อแม่ทางใจพ่อแม่ทางกายให้ได้แต่ร่างกายส่วนจะเป็นคนดีคนไม่ดีคนฉลาดคนง่คนสวยงามไม่สวยงามนี้ใจเป็นผู้ให้ เพราะพี่น้องที่เกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันยังไม่เหมือนกันถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่ความสวยงามนี้มีความแตกต่างกันความฉลาดความโง่มีความแตกต่างกันความดีความไม่ดีมีความแตกต่างกันเพราะใจที่มาคลองร่างกายนี้ มีบุญมีบาปมาต่างกันนั่นเองถ้ามีบุญมาก็จะมามาด้วยบารมีมาด้วยความยิ่งใหญ่ถ้ามากับบาปก็มากับความความต่ำช้าเร็วซามทั้งหลายที่น้องที่มีพ่อแม่คนเดียวกันแต่กับ เป็นเหมือนฟ้ากับดินก็เป็นไปได้เพราะพ่อแม่ไม่ได้เป็นผู้ให้ความดีความชั่วความโง่ความฉลาดพ่อแม่มีเพียงแต่ให้ร่างกายซึ่งเป็นเหมือนภาชนะเป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์นี้ออกมาจากโรงงานทุกคันนี้เหมือนกันหมดแต่เวลาไปขับนี้ขับไม่เหมือนกันอยู่ที่คนขับ บางคนก็ขับอย่างเรียบร้อยดูแลรักษารถยนต์ไว้อย่างดีรถยนต์ก็ใช้ไปได้นานบางคนก็ขับรถอย่างสวิตชสวัดขับแล้วก็ไปชนไปพลิกไปคว่ำไม่ได้เป็นเพราะโรงงานผลิตรถยนต์มาให้ไม่ดีเป็นเพราะคนขับที่เป็นคนขับที่มีทั้งดีและไม่ดี ปนกันไปคนขับดีรถก็ดีตามคนขับไม่ดีรถก็ไม่ดีตามเวลาที่ซื้อรถมาใหม่จึงไม่จําเป็นต้องไปเจิมรถให้เสียเวลาเพราะรถนี้ดีมาทุกขันแล้วสิ่งที่ต้องเจิมก็คือคนขับรถคนขับรถนี้ต้องเจิมแต่ไม่ได้เจิมด้วยแป้งไม่ได้ปิดทองแล้วจะทําให้คนดีได้ คนจะดีได้ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนสอนเขาว่าเวลาขับรถนี้ไม่ควรประมาทอย่ารีบร้อนใจเกินไปอย่าเสพสุรายาเมาทำให้ไม่มีสติควบคุมกายควบคุมกายควบคุมใจและควบคุมรถยนต์ให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยนี่ต่างหากคือการเจิมที่ถูกต้อง ต้องเจิมที่ใจด้วยธรรมะด้วยการสั่งสอนให้รู้เหตุรู้ผลรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความหายนะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความร่มเย็นปลอดภัยเมื่อรู้แล้วถ้าเราดำเนินตามเหตุนั้นๆเราก็จะได้รับผลที่เราปรารถนากันไม่ได้อยู่ที่การไปเจิมที่ตัวรถรถยนต์ทุกคันที่ออกมานี้ เขาได้ตรวจคุณภาพตรวจคุณสมบัติไว้ครบถ้วนแล้วถ้ามีปัญหาเขาก็จะดูแลซ่อมแซมให้แต่สิ่งที่เป็นปัญหานี้อยู่ที่คนขับเสียส่วนใหญ่ที่ขับล้นแล้วไปชนกันก็เพราะขับด้วยความประมาทขับเร็วเจินเกินไปไม่รู้สภาพของถนนว่าควรจะขับช้าหรือขับเร็วอย่างไร สภาพของถนนเวลาฝนตกก็ต้องช้าหน่อยเพราะถนนลื่นหรือมีรถยนต์มากบนท้องถนนก็ต้องไปช้าหน่อยหรือถนนหนทางไม่ดีคลุกคเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องขับช้าหน่อยหรือขึ้นเขาที่มีทางโค้งมากๆก ก, ก็ต้องระมัดระวังขับไม่ให้ขับเร็วจนเกินไป ถ้าขับอย่างระมัดระวังขับด้วยสติด้วยปัญญาชีวิตก็จะปลอดภัยฉันใดชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์เราเป็นผู้ขับเราต้องรู้จักวิธีขับรถคือชีวิตของเรานี้ให้ไปได้อย่างปลอดภัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขหรือเราจะขับไปอย่างฟา ฟันฝ่าเสี่ยงกับภัยอันตรายต่างๆและความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆก็อยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กระทำไม่ได้อยู่ที่ไข่ท้งนั้นอยู่ที่กรรมคือการกระทำซึ่งมีอยู่สามส่วนด้วยกันคือกายกรรมการกระทำทางกายวจีกรรมการกระทำทางวาจาและมนโนกรรม การกระทาทางใจการกระทาทั้งสามนี้มีการกระทาทางใจเป็นต้นเหตุมโนกรรมใจต้องคิดก่อนถึงจะพูดถึงจะทำตามมาถ้าไม่มีใจเป็นผู้สั่งการแล้วก็จะไม่สามารถพูดอะไรได้ทำอะไรได้เช่นคนที่ตายแล้วไม่มีใจสั่งร่างกายให้ทำอะไรได้ ร่างกายก็นอนอยู่ตรงนั้นเฉยๆไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ไม่สามารถหายใจเองได้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เพราะไม่มีใจเป็นผู้สั่งการดังนั้นผู้ที่สำคัญที่สุดในการกระทาก็คือใจนี้เองถ้าใจคิดดีก็จะ สั่งให้พูดดีสั่งให้ทำดีเช่นวันนี้ใจคิดดีคิดจะมาทำบุญเมื่อคิดทำบุญแล้วก็สั่งวาจาให้พูดชวนคนนั้นคนนี้มาร่วมทำบุญแล้วก็ไปเตรียมข้าวเตรียมของต่างๆที่จะนำมาทำบุญแล้วก็ออกเดินทางมาเมื่อมาถึงแล้ว ก็ได้นำสิ่งต่างๆที่ได้เตรียมไว้นั้นมาถวายพระเป็นการกระทำดีเรียกว่าบุญเป็นการพูดดีเป็นการคิดดีผลดีตามมาก็คือทันทีที่ปรากฏก็ภายในใจทำให้มีความรู้สึกที่ดีมีความสุขใจอิ่มเอิบใจมีความพอ ใจผลที่จะตา ม, มาต่อไปก็คือในอนารักษ์คนในพพหน้าชาติหน้าถ้าทำมากๆต่อไปเวลาไปเกิดใหม่ก็จะได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีสมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่เช่นได้ไปเกิดเป็นลูกเศษธีลูกของพระเจ้าแผ่นดิน เช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญทานบา ร, รมีอย่างแก่กล้าในสมัยที่เป็นพระเวชสันดอนพอตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์สเสวยความสุขอาหารทิพย์ไปก่อนเมื่อหมดบุญนั้นแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถ์ลูกของกษัตริย์ มีสมบัติมากมายกายกองเช่นมีปราสาทสามฤดู <Yeah. S 1> นี่เป็นอนิสง์ของทานบา ร, รมีและศีลบา ร, รมีที่ได้ทรงบำเพ็ญไว้ในอดีต <Yeah. S 1> เมื่อได้ถึงเวลาที่จะส่งผล <Yeah. S 1> ก็ได้มารับผลได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนอกจากนั้นยังได้ออกบวชได บรรลุเป็นพระ อ, อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนอกจากได้บำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีแล้วก็ได้บำเพ็ญเนคขมะบา ร, รมีคือออกบวชได้บำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีได้บำเพ็ญขันติบา ร, รมีความอดทนได้บำเพ็ญวิริยะบา ร, รมีความภาคเพียรจึงทาให้พระองค์ สามารถออกบวชได้ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นสิ่งที่ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีสมบัติเข้าของเงินทองมากๆ ม, ม, มีฐานะสูงๆเช่นเป็นกระสัเป็นราชโอรสจะออกบวชนี้จะเป็นเหมือนกับตกลงมาจากสวรรค์ไปสู่นรกเลยซึ่งไม่มีใครอยากจะไปกัน มีแต่พระโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่มีปัญญาบรารมีสามารถเห็นความแตกต่างของประโยชน์ที่จะได้รับจากการอยู่เป็นลูกของกษัตริย์กับการได้ออกบวชว่าประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีมากกว่าเวลาที่ได้ออกบวชเพราะถ้าได้ออกบวชก็จะสามารถ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานบรรลุ ถ, ถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่ได้เจริญปัญญาบารมีมาจะไม่สามารถเห็นได้เลยจะไม่เห็นว่าการออกบวชนี้เป็นเรื่องวิเศษอย่างไรเลยกับกลัวการออกบวชเสียด้วยซ้ำไป กลัวกามทุกข์ยากลาบากต่างๆและจะเห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของการมีทรัพย์มากๆของการมีฐานะสูงๆแต่ไม่เห็นว่าเป็นสภาพที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างหลังตามมาข้างหลังเพราะอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเสื่อมเป็นธรรมดาสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาหรือสักวันหนึ่งก็จะต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของไปสูญเสียอำนาจวาสนาต่างๆไปนี่เป็นสิ่งที่ปุุ้ชนธรรมดาทั้งหลายจะไม่สามารถมองเห็นกันจะเห็นแต่ประโยชน์สุขที่จะได้รับเท่านั้น แต่ไม่เห็นความทุกข์ความกังวลใจความวุ่นวายใจที่ตามมาในจิตในใจมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามีอย่างพระพุทธสัตว์เท่านั้นที่จะมีปัญญาบารมีพอที่จะเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในใจนี้ได้จึงทำให้พระพุทธเจ้ากล้าเสียสะละราชสมบัติ กล้าสละโอกาสที่จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วมาออกบวชแต่ทรงรู้ว่าจะได้สิ่งที่ดีกว่านั่นเองและก็ได้ดีจริงๆเพราะหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญไปหกปีด้วยกันก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลังจากนั้นก็ได้ทรงเป็นพระบรมศาสดาสอน ธรรมะให้แก่สัตว์โลกทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ได้หลุดพน้นให้ได้ตัดสรูตามพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากมีสาวกมีผู้เคารพนับถือเป็นจำนวนมากมายแม้พระ อ, องค์จะได้เสด็จดับขันธทะปรินิพานไปแล้วก็ยังมีผู้ที่เคารพนับถือยกย่อม กราบไหว้บูชาอย่างพวกเรามาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คืออนิสง์ของการที่มีใจที่ฉลาดใจที่คิดดีเมื่อคิดดีแล้วก็นำไปสู่การพูดดีการกระทำดีดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็นความสำคัญของการกระทำ ของความคิดของเราพยายามมีสติเฝ้าดูใจเราอยู่เรื่อยๆให้คิดดีอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อคิดดีแล้วก็จะพูดดีจะทำดีแล้วผลที่ดีก็จะตามมาคือความสุขร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าก็จะเป็นผลตามมาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะอยู่ห่างไกลจากตัวเรา ไม่ได้อยู่ที่ใครที่ไหนอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเรานี้เท่านั้นถ้าเราไม่รู้ว่าการคิดดีนั้นให้คิดอย่างไรเราก็ต้องศึกษาต้องฟังเทศฟังธรรมเพราะเมื่อเราศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้จักวิธีคิดดีวิธีคิดดีนั้นก็คือคิดไม่โลกคิดไม่โกรธคิดไม่หลง ไม่อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นการสรรเสริญเยินยอไม่ว่าการได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผทธทพะต่างๆถึงแม้จะมีความสุขบ้างก็ตามแต่เป็นความสุขที่น้อยมากและ ไม่จีรังถาวรเหมือนควันไฟมันพอสัมผัสก็มีความสุขแล้วก็จางหายไปเลืกไว้แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความเศร้าส้อยงอยเหงาความเบื่อหน่ายทำให้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องไปหาความสุขใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเป็นเหมือนกับคนติดยาเสพติด ถ้าไม่ได้เสพแล้วจะทรมานใจคนที่ติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่เฉยๆตามลาพังคนเดียวไม่ได้จะต้องคอยหาความสุขทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางกายอยู่เสมอนี่เป็นความทุกข์ที่มองไม่เห็นกัน พวกเราจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังพรอธรรมคําสอนที่สงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขล้วนวนมีความทุกข์แถมมาให้เสมอมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูก มีสมบัติเงินทองก็ต้องทุกกับสมบัติเงินทองไม่มีอะไรที่ไม่มีความทุกข์แทบัด้วยถ้าอยู่โดยไม่มีอะไรได้นั่นแหละจะเป็นความสุขที่แท้จริงเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่เอาอะไรเลยไม่ว่าภรรยาหรือสามีหรือลูกหรือสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ท่านไม่ต้องการท่านต้องการอยู่อย่างสงบร่มเย็นไม่มีความทุกข์มาลบกวนใจท่านจึงต้องอยู่อย่างนั้นอยู่โดยที่ไม่ต้องมีสมบัติไม่ต้องมีอะไรอยู่ได้และมีความสุขมากกว่าพวกที่มีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอีกเช่นพวกเรา พวกเรานี้มีสมบัติมากกว่าพระพุทธเจ้ามากกว่าพระอรหันต้องหลายเท่าแต่ความสุขของพวกเรากับน้อยกว่าความสุขของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ความทุกข์ของเรากับมีมากกว่าความทุกข์ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์เพราะท่านไม่มีความทุกข์ใจเลยถ้าจะมีก็เพียงแต่ความทุกข์ทางร่างกาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติถ้ามีร่างกายก็ต้องทุกขกับร่างกายเป็นธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่ใจไม่ได้ทุกขกับความเป็นไปของร่างกายเพราะท่านได้ปล่อยวางท่านไม่ยึดติดกับร่างกายถ้ายังยึดติดกับร่างกายอยู่ก็ยังจะต้องทุกขกับร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมา เวลาขาดอาหารก็ทุกข์แล้วเวลาไม่ได้อาบน้ำอาบท่าก็ทุกข์แล้วเวลาไม่ได้หลับนอนพักผ่อนเต็มที่ก็ทุกข์แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์แล้วเวลาแก่ก็ทุกข์แล้วเวลาจะตายก็ทุกข์แล้วทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะความหลงให้ยึดติดร่างกายคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ก็ไม่อยากจะให้ตัวเราของเรานี้เป็นอะไรไปแต่ถ้ามีปัญญาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเราเห็นตามเราก็จะไม่ยึดติดกับสมบัติต่างๆกับร่างกายของเราพอสมบัติของเราร่างกายของเรา เป็นอะไรไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่มีความทุกข์ใจจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเป็นเหมือนกับเป็นของคนอื่นเวลาร่างกายของคนอื่นตายไปเราไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้ร้องห่ยร้องไห้เวลาสมบัติของคนอื่นเขาหมดไปหายไปเราก็ไม่ได้ร้องห่ยร้องไห้ไม่ได้เดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะเราไม่ไปหลงยึดติดว่าเป็นของเรานั่นเอง ไม่ได้อยากให้อยู่กับเราไปนานๆความอยากความยึดติดนี้เกิดจากความหลงความที่ไม่เข้าใจถึงความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าเราศึกษาได้ยินได้ฟังพ่อธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาไปปฏิบัติดูเราจะเห็นผลทันทีลองเอาไปปฏิบัติดูกับข้าวของก่อนก็ได้ เรารักสิ่งไหนเราหลงสิ่งไหนอยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราไปนานๆเราลองเปลี่ยนใจดู zipper, อย่าไปรักอย่าไปอยากให้อ <expired> ย <questionnaire> <animales. S 1> ู่กับเราไปนานๆแล้วเราลองเอาไปให้คนอื่นดูเราจะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขเราจะไม่รู้สึกมีความทุกข์เลยแต่ถ้าเรายังหลงอยากให้อยู่กับเราไปนานๆเราเวลาให้ใครไปนี้เราจะรู้สึกเสียดาย เวลาที่ถูกขโมยไปเราจะเสียอกเสียใจจะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาถ้ารู้ว่าใครเป็นคนขโมยก็จะโกรธแค้นคนนั้นมากและอาจจะต้องไปล้างแค้นไปสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาใหม่เพราะความหลงผิดไปคิดว่าเป็นของเราแล้วก็เลยทําให้ไปต้องมีเวรมีกรรมมีปัญหาต่างๆตามมา แต่ถ้าเรามีปัญญาสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ใช่เป็นของเราเวลาเราเสียอะไรไปเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นใครจะเอาไปก็เอาไปเอาไปได้ก็เอาไปขโมยไปได้ก็ขโมยไปแย่งไปได้ก็แย่งไปแต่เราจะไม่ยึดติดเราจะไม่เสียดายจะไม่เสียใจจะรู้สึกเฉย และอาจจะรู้สึกดีใจเสียด้วยซ้ำไปเพราะจะได้ไม่ต้องมีภาระต่อกันอีกต่อไปถ้ายังอยู่กับเราเราก็ต้องมีภาระคอยดูแลรักษาคอยป้องกันคอยห่วงคอยกังวลพอไม่มีแล้วเราก็หมดปัญหาไม่ต้องมาวุ่นวายกับเขาอีกต่อไปนี่ถ้าเรามีปัญญาเราจะอยู่อย่างมีความสุข เราจะไม่หลงยึดติดกับอะไรเราจะอยู่ได้โดยที่เรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในใจก็คือความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางนี้เองเพราะถ้าเราปล่อยวางได้แล้วใจของเราจะมีความสงบมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่ต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรอยู่เฉยๆไปวันๆหนึ่งก็พอใจ เพียงแต่ดูแลรักษาร่างกายไปตามอัตภาพทท้งนั้นแต่เรื่องอย่างอื่นแล้วไม่สาคัญอะไรเลยไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรนี่แหละคือความวิเศษของการที่เราได้ยินได้ฟังพรอธรรมคำสอนเพราะจะทำให้เราคิดดีคิดปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเมื่อเราปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ไปพูดไม่ดีไปทาไม่ดี เราจะพูดเราจะพูดดีเสมอเราจะทำดีเสมอเพราะเราจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่โลภไม่โลภอยากได้อะไรของใครทั้งนั้นเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ทำให้เราต้องไปพูดไม่ดีโกหกหลอกลวงไปพูดคำหยาบไปด่าว่าผู้อื่นไม่ทำให้เราต้องไปลักขโมยไปประพฤติผิดประเวณีไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เมื่อเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเป็นคนดีเป็นคนน่าเคารพนับถือเช่นเขาพุทธเจ้าและพระอาหารหันตะสาวกทั้งหลายทั้งหมดนี้เกิดจากความเชื่อในหลักกรรมที่สอนว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจึงขอให้เราพยายามทำแต่ความดีอย่าไปทำความชั่วแล้วชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวจึงขอฝากเรื่องของการทำดีพูดดีคิดดีให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัต